ธารมะจบ เ, เป็นอย่างเงี้ยมานานแสนนานละธรรมะเย็นธรรมะเจ้ากลุ่มมากลุ่มไม่มาขีวัดก็ดาเนินอยู่อยู่ต่อเนื่องเรากปล่อยอิสระกันพอสมควรที่เนียจะมาทาวัดไม่มาทําวัด ก็รับพปเช้าตัวเองกันวันนี้มีกลุ่มแปลนปลูกป่าก็มาเห็นว่า50คนแต่ยังไม่ได้เห็นกระตาว่ากี่คนจริงๆคงจะอยู่ซรลาหน้ากัน <c oughs> การปฏิบัติธรรม <c oughs> กรรมาฐาน แนวเคลื่อนไหว <Yeah. S 1> แล่ว่าข้างในเรามาปลูกสติ <Yeah. S 1> ปลูกสติ <Yeah. S 1> สติที่มันมีอยู่ปลกูก mm. ให้มันจเจริญงง า, งามพ <Yeah. S 1> อเราสึกตัวที่ต่อเนื่องโดยเฉพาะ <Yeah. S 1> มันมันบอกถึง <Yeah. S 1> บอกถึง <Yeah. S 1> คุณภาพ ความรู้สึกตัวแต่ละขณนนะนะคุณภาพของสติที่มันเจริญนะรู้รู้เนื้อรู้ตัวมีอาการมากมายแล้วเกินมันมาให้เราได้ได้ผ่านปรากฏการณ์ต่างๆมาให้เราได้ได้ผ่านเข้มแข็งกนะ มันก็จะสนุกแหละแป๊บแป๊บหมดวันแล้นะอย่างวันนี้แป๊บแป๊บก็จะมาเดือนวันและเป็นภาคคำหโมงระบายธรรวัสดสด็จมนนะ์ได้ไก็ได้สดมักมง8ลแดบทสำคัญของความเพียนมันไม่ใช่ว่าตะปากในหนังสือเราพูดตะปา ก, กนะรู้ความหมาย อาการที่เราไปปฏิบัติทั้งวันมันมีความหมายสอดคล้องกับอาการในกาพูดในการกระทําสติอย่างเงี้ยนะสำมาสติมันก็นสอดคล้องเลยกับสิ่งที่เราลองทํากายเว้นะจิตทมภาษาไม่ใชหนังสือมันไม่ใช่หนังสือผ่านการกระทําสอดคล้องกันพอดี เห็นกายอาการของกายตางความเป็นจริงคําว่าเห็นนะในคุณภาพของความเห็นหรือว่าสิ่งแวดล้อมการเห็นอาการที่เรียกว่าเห็นเราก็สัมผัสได้คําว่าเห็นเห็นแล้วไม่ทุกข์เห็นเป็นแค่อาการเราก็รู้ว่านะ่ะคือความเป็นปกติที่สติมันทําหน้าที่รู้ดูเห็น ผ่านได้ด้วยเป็นสติเป็นศีลสมาธิปัญญาให้ได้ยินไว้เลยนะอาตมาพูดถึงว่ารับรองคำพูดเลยว่ามันต้องมีสติก่อนถึงจะมีศีลถ้าเป็นศีลประมาินะไม่ใช่ศีลสติแล้วสมาธิไม่ใช่ มีสติก่อนแล้วก็ศีลศีลจะเกิดกับคนที่มีสติเท่านั้นแหละปัญญาจะเกิดกับคนที่มีศีลนั่นนั้นแหละปัญญาจะเกิดกับคนที่มีสติเท่านั้นแหละทีมเป็นปัญญาพาพ้นทุกจริงๆไม่เกิดปัญหาไม่ก่อปัญหาทั้งหมดนั่นแหละวา ท, ที่เรารู้สึกตัวเราปฏิบัติทำเราว่าดีดีแต่่าเจอลมที่ไรมันพังทุกที ลมทั้งยืนมันโดนหมัดนกเเขาพูดถึงเรานิดเดียวนิทานนิดเดียวว่าหงายท้องแล้วมันเป็นมรรคแต่ยังไม่เป็นผลสักทีเพราะนั้นมีสติศีลนปรากรมันก็ปรากรสมาธิขึ้นไหมมีปัญญาสติสัมยะปัญญารู้ซ้ำซรู้ซ้ำๆรู้ซ้ำๆรู้สึกตัวเนี่ยแหละ ทำจนเหมือนกัมันรู้สึกตัวได้เรื่อยๆสังเกตเธอระบอกเรารู้สึกตัวได้รู้สึกตัวได้รู้สึกตัวได้บางทีทำไมมีหนักทําไมมีเบาทําไมเบามั่งหนักบ้างอันนั้นเราคือเราต้องปรับต้องปรับปรับปรงมันถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงปฏิโลกปฏิวัตินั่นแหละปฏิบัติปฏิเวท มีลักษณะนั้นปฏิบัติก็ลงมือรทาลงไปก็มีผลของการปฏิบัติที่เกิดมาจากปริยัติฟังคำพูดนี่แหละปริยัติอ่านจากตาราละไรปริยัติทฤษฎีสิ่งเดียวกันที่สวดมนต์ทมวัดนั่นแหละทิศดีมเกิดความเป็นปกติ รู้เท่ารู้ทันนะปฏิบัติมีผลเป็นปฏิเวทกับผลฉ ล, ล, ล, ลาดไปเรื่อยๆมันก็ไปไปไหนหรอกหลวงปู่เทียนก็พูดไม่ผิดหลวงพ่ออเขียนก็พูดไม่ผิดใครๆก็พูดไม่ผิดอยู่ที่ว่าเราทําผิด น, นนะแต่ผิดก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเป็นประสบการณ์ดี่ดเเีเรียนผิดเรียนถูกเรียนถูกเรียนผิดผิดบ้างถูกบ้างวันตั้งวั น, ห, วนหลงหลงรู้ สนุกเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์สมใจนามาพูดอารมณ์ปฏิบัติหรือว่าดูกราบเนี่หมือนกันกากราบบูชาพระธนไตรก็กราบครวะครูบาอาจารย์หลวงพุทเทียนหลวงพ่อคำเขียน และในที่นี้ก็คือพระจัารสงสินและขอนามส ก, การพระเทรานุเทระเพื่อนสาธรรมิกทุกท่านขอเจริญพรแม่ชีและก็ผู้มาปฏิบัติธรรมทุกท่านก็นั่งตามสบาย เข้าใจว่าที่เรามาวัดปาสกุโ ต, โตเนี่ยเราก็มีจุดมุ่งหมายร่วมกั น, นาที่จะมาปลดเปลื้องความทุกข์ความหนักอกหนักใจในตัวเราหลายคนคงหาวิธีการในการปลดเปลื้องความทุกข์ความหนักอกหนักใจด้วยวิธีการต่างๆซึ่งในโลก ก็มีอยู่หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาวคนเท่าคนแก่แรกๆง่ายๆเราก็อาศัยวัตถุได้ดูอะไรสวยๆได้ดมอะไรหอมๆได้ลิ้มรสอะไรอร่อยๆได้ฟังเสียงเพลอๆนะก็ทำให้เราสบายใจทำให้เรามีความสุข แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราสังเกต ด, ดูมันก็มีเป็นครั้งเป็นคราวมันไม่จีรังยั่งยืนบางอย่างมันก็ถูกใจเราเราก็มีความสุขบางอย่างเข้ามาไม่ถูกใจเราเราก็มีความทุกข์ชีวิตเราจิตใจเราละหกละเหินกับสุขสุขทุกๆุไม่มีไม่มีวันจบวันสิน้น คนหนุ่มคนสาวอาจจะยังไม่ไ ม, มียังมองไม่เห็นเรื่องนี้อย่างชัดเจนอย่างเพลิดเพลินนะอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านีนะ้ที่มันมากระทบทางตาทางจมูกทางหูทางลิ้นทางกายสัมผัสหรือแม้แต่ในใจคิดนึกโลกปัจจุบันนี้เป็นโลกที่ทำให้เราเพลิดเพลินหลงไหล กับสิ่งภายนอกวัตถุภายนอกที่เข้ามาเสนอสนองโดยระบบการตลาดเราต้องเสียเงินเสียทองเราต้องเหน็ดเหนื่อยไปแสวงหากับสิ่งเหล่านี้เมื่ออายุมากขึ้นเราก็มีความรู้สึกว่าเออเหนื่อยเนาะกับการที่ต้องวิ่งหาสิ่งเหล่านี้ที่จะมาบำบัดทุกข์เพื่อที่จะตอบสนองความสุขที่เราคิดว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราต้องการ เพราะฉะนั้นจิตใจของเราก็สุขสุขทุกทุกแต่ก็มีบางครั้งบางเวลาที่เรารู้สึกเออสบายสบายเนาะไม่สุขไม่ทุกข์มันเฉยเฉยมันปกติแต่ว่าความรู้สึกเหล่านี้เราก็ไม่ได้สังเกตมันเราไม่เคยดูมันเราไม่เคยคุ้นเคยกับมันเราจะคุ้นเคยสุขสุขทุกทุกเนี่ยเหมือนกับการที่เรากระหาย เราก็ชอบที่จะดื่มน้ําหวานน้ําสีแต่น้อยคนมากที่คิดถึงน้ําเปล่าที่เป็นน้ําจืดสนิทนี่เองทําให้เรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยหนัก อ, อกหนักใจกับการที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกหลายค น, นก็เลยเข้ามาสู่วัดที่เป็นที่สงบหลายคนก็มาสแสวงหา ความสงบที่เกิดจากการได้ฝึกใจซึ่งก็มีหลายวิธีนะที่เราเรียกว่ากรรมฐานนะในประเทศไทยนะี่ก็มีมากมายแต่โดยส่วนใหญ่ก็มุ่งมองไปตรงที่ทำยังไงให้เราไม่ต้องคิดทำไงให้ ใ, หใจเราสงบนิ่งๆนะซส่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นนั่งหลับตานิ่งๆสงบเงียบ ไม่ต้องคิดอะไรนั่นก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งแต่มันก็เป็นความสุขเพียงขณะที่เรานั่งอยู่เท่านั้นเองเจ้าชายสิทธัตถะได้ไปเรียนกับอาลาลาดาบทและอุทกดาบทก็ได้ความสุขอย่างนี้มานาได้ฌานได้ฌานสมาบัติ7สมาบัติ8ก็ยังไม่พอใจท่านก็ต้องไปค้นหาในประเทศไทยเราก็มีอย่างนี้เยอะมาก หลายๆคนไปฝึกนะไปฝึกจิตไปฝึกกรรมฐานก็มีความสุขดีในขณะที่เรานั่งนิ่งๆหลับตานะแต่พอตื่นมาไปเจอสิ่งที่ถูกใจก็ดีใจพอใจไปเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจก็ไมก่ก็เสียใจหรือว่ากโกรธขึ้นมาเพรา ะ, ะนั้นความสุขเหล่านี้ความสงบเหล่านี้ยังใช้การไม่ได้ มันเพียงแต่ว่าเป็นที่พักใจชั่วคราวเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเราเราก็ต้องมาดูว่าาพระเจ้าชายสิทธัตถ์ได้ค้นพบอะไรต่อไปอีกนะท่านได้พบถ้าเรียกเป็นฌานก็น่าจะเป็นฌานที่เนะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเจอเป็นสิ่งที่ฤาษีสมัยนั้นไม่เคยสอนและสิทธัตถ์ได้พบนะเป็นความสงบที่ตื่นรู้ แล้ก็ไปนคนพบด้วยว่าที่เราเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกมันไม่ได้เกิดจากการที่มีอะไรมาโดนบันดาลมันไม่ได้เกิดขึ้นอยู่กับพระพรหมเป็นผู้ลิคิดสมัยนั้นคนเราเชื่อว่าชีวิตจะสุขหรือทุกข์ขึ้นอยู่กับพรหมนี่คือศาสนาพราหมณ์เจ้าชายศิษ ธ, ธาถเป็นคนแรกที่กล้าจะประกาศได้ว่าไม่ใช่ความทุกข์นั้น เกิดขึ้นภายในใจเรานี้เองเกิดขึ้นจากความหลงความไม่รู้เท่าทันความคิดนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเราภายในตัวเราและเป็นสิ่งที่เราสามารถจะแก้ไขได้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเรียนรู้กลไกเหล่านี้จนเข้าถึงความเป็นปกติได้ ท่านก็พบว่าอ๋อที่แท้จริงแล้วจิตใจของเรานั้นเป็นปกติจิตใจเราสว่างพ่องใสแต่ที่มันเป็นทุกข์มันไม่สบายใจมันหมองมัวนั้นเพราะเราไม่รู้ตัวมันมีอารมณ์มันมีความคิดเข้ามาครอบงำจิตใจทำให้จิตใจหมองมองตรงนี้นี่เองท่านก็เลยหาวิธีการว่าจะทำอย่างไร ที่เราจะเข้าไปเรียนรู้กลไกของธรรมชาติที่มันมีก็เกิดกรรมฐานขึ้นมาซึ่งในสมัยนั้นท่านพน้นค้นพบโดยวิธีการใช้ลมหายใจก็คืออนาพนาณสติซึ่งวิธีนี้ก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันแต่ถ้าที่สังเกตดูโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ฝึกอนาพนาณสติส่วนใหญ่จะไปนิ่งสงบนะไม่ตื่นรู้ เพราะว่ากำลังของสติเนี่ยยังไม่ฉับไวพอเพราะฉะนั้นก็จะโดนความสงบเนี่ยมันหรือว่าความนิ่งเนี่ยมันค่อบงํเอาแล้วคิดว่าอันนั้นน่ะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นที่สุดหรือเป็นสุขนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยที่เราฝึกกันเราก็เลยจะหลับเป็นส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตดูก็คือนั่งหลับไม่ได้นั่งตื่น อาณาปณสติเนี่ยจึงทำให้ถ้าคนไม่ได้ฝึกดีหรือว่าสติไม่ดีพอเนี่ยจะหลับเป็นส่วนใหญ่นะแม้แต่นั่งฟังนี่ก็หลับ น, ะนี่นี่คือสิ่งที่ได้จากประสบการณ์ตัวเองแต่ถ้าเราฝึกให้ดีมีสติ ด, ดีเนี่ยเราจะตื่นรู้ได้นะทีนี้มาในยุคปัจจุบันเนี่ยนะก็นับว่าเป็นโชคดีของพวกเราเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ย อ, อ, อ, อุบาสกพันธ์อินทรผิวชื่อเดิมของหลวงพ่อเทียนนาได้พยายามแก้ทุกข์ของตัวเองนาด้วยการเคลื่อนไหวนาด้วยการเจริญสติกับการเคลื่อนไหวและกระท่านก็ได้พบว่าความทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไม่รู้เท่าทันความคิดที่มันเกิดขึ้นความคิดเนี่ยมันสร้าง พสร้างชาติต่างๆคำว่าพบชาติก็คือภาวะภายในจิตใจของเรานั่นเองคิดดีเป็นกุศลก็มีความสุขขึ้นสวรรค์เป็นพบสวรรค์ละคิดไม่ดีคิดอิจฉาริษยาหรือมีใครพูดให้เราไม่พอใจเนี่ยเราโกรธขึ้นมาละใจเราร้อนละเราตกนรกละ น, นี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในตัวเรานะทีนี้ ท่านก็เคยฝึกอานาปนาสิก็เคยฝึกมายุบหนอบ้องหน่อก็เคยพุโทโธสัมมาหลังท่านเคยฝึกมาหมดเลยวิธีการเหล่านั้นได้แต่ความสงบเท่าที่ได้ยินในฟังท่านแต่เมื่อมาทําการเคลื่อนไหวเนี่ยท่านรู้เท่าทันกับความคิดนะเมื่อรู้เท่าทันกับความคิดก็ไม่ตกไปอยู่ในอํานาจของความคิดนะถอนตัวออกมาเป็นผู้ดูนะดูความคิดดูอารมณ์ดูปรากฏการณ์ต่างๆ ไม่หลงเข้าไปอยู่ในอาการเหล่านั้นนะตรงนี้ก็ทําให้สามารถท่านถอนตัวาจากปรากฏการณ์ต่างๆหรืออาการต่างๆที่เกิดขึ้นได้แล้วจากตรงจุดนี้นี่เองท่านก็พยายามที่พัฒนาวิธีการาเดยการที่ยกมายกมือซึ่งพัฒนามาจากวิธีการติงนิ่งหรือไหวนิ่งที่ท่านไปนเรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์ที่ประเทศลาวาซึ่งมาสอนที่หนองคาย วิธีการนี้เนี่ยคนโดยทั่วไปจะมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรมันจะเป็นสมาธิได้อย่างไงนะมันจะมีสติได้อย่างไรนะนงไงคนที่ไม่เคยมาฝึกเลยเนี่ยหรือมาเห็นเป็นครั้งแรกเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วมันจะเป็นสมาธิได้อย่างไงมานั่งยกไม้ยกมือเพราะเราติดอยู่กับความคิดว่าสมาธิคือนั่งนิ่งๆประเทศไทยเนี่ย แ0ดสส่วนใหญ่นั่งนิ่งหลับตานะวิธีการฝึกสํานักต่างๆเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าวิธีนั้นไม่ถูกนะก็ถูกก็เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านท่านมีประสบาการณ์มาแต่วิธีการนี้เนี่ยนะเป็นวิธีการที่เหมาะกับคนยุคปัจจุบันที่ต้องทําการทํางานต้องเคลื่อนไหวนะเพราะว่าเราต้องทําการทํางาน เราต้องรู้ตัวเราต้องเอาสตินี้มาใช้ทีนี้ในการฝึกโดยวิธีนี้เนี่ยนะก็จะเน้นตรงที่ให้เรารู้สึกกับการเคลื่อนไหวของกายก่อนนะซึ่งถ้าตามหลักสติปัฏฐานสี่ก็คือกายานุปัสสนานั่นเองตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นเราอย่าเพิ่งข้ามขั้นไปดูจิตเลยโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นใหม่อย่าเพิ่งไปดูจิตเลย เพราะว่าจิตมันไม่มีตัวตนการไม่มีตัวตนเราเจา อ, อะไรไปดูมันละ่ะที่ชอบพูดดูจิตดูจิตเนี่ยระวังตัวอารมเองหรือตัวกับผมเองก็เคยพัดหลงในเรื่องพวกนี้เพราะไปดูจิตเฝ้าดูจิตเฝ้าดูความคิดโดยไม่มีหลักเลยโดยไม่มีฐานเลยเพราะฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันจึงเริ่มต้นจากกายก่อนก็คือให้มีความรู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหว หลวงพระเทียนก็เลยคิดกลวิธีนะด้วยการเคลื่อนไหวนี่แหละการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมมองเห็นได้สัมผัสได้รู้สึกได้ชัดเจนกว่าลมหายใจชัดเจนกว่าความคิดนะแล้วไม่ต้องบริกรรมนะเพราะว่าการบริกรรมก็เป็นรูปแบบของความคิดอีกความคิดหนึ่งเพราะนั้นวิธีการเนี้ยมันพุ่งตรงไปเลยกับความรู้สึกตัว นะมันจะไม่ต้องเสียเวลาแต่แน่นอนคนเริ่มต้นใหม่เนี่ยก็จะยังไม่รู้หลักว่าไอ้ความรู้สึกตัวมันเป็นยังไงที่พูดว่าสติพูดกับความรู้สึกตัวมันเป็นยังไงเราจะยังไม่รู้หรอกนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นครั้งแรกของเราแล้วอีกอย่างหนึ่งคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเราคุ้นเคยกับการที่จะต้องทำนูน่นทำนี่เดินไปนูน่นไปนี่คิดนูน่นคิดนี่ให้เรามานั่งนิ่งๆิ่งเนี่ยเราอยู่ไม่ได้ให้เรามา ไม่ต้องคิดอะไรเลยก็อยู่ไม่ได้วิธีนี้ไม่ใช่ว่าไม่ให้คิดอะไรนะมันคิดคิดไปแต่เรากลับมาที่ความรู้สึกตัวที่กายเพราะนั้นแรกๆเนี่ยนะคูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเดี๋ยวอยเพาะคนใหม่นะหรือแม้แต่คนเก่าก็ตามอย่าประมาทตัวก็ผมหรือทำไมเองก็ประมาทเหมือนกันประมาทในรูปแบบนะไอ้รูปแบบเนี่ยหรือว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะทาให้ความรู้สึกชัด พอเราทำกับสิ this, has, has, has, seems, ่งที clean, <the> ่ม <ifier> yeah. <the> ันมันหยาบหยาบใหญ่ๆเห็นชัดชัดแล้วมันรู้สึกชัดชัดว่าลมหายใจตัวกับผมด้วยทำไมเองเคยฝึกอานาปานสติเคยฝึกฝึกขนาดสัมผัสกับปิติอิ่มอกอิ่มใจมาแล้วแต่ว่ามันก็ได้แค่เพียงขณะนั้นเท่านั้นเองนะความทุกข์ความโกรธความอะไรยังไม่ลดแต่เมื่อเรามาทาแบบนี้เนี่ยเรารู้ทันนะรู้ทันความคิด รู้ทันอารมณ์แรกแรกเนี่ยอารมณ์กับความคิดมันจะยังยังไม่ทันหรอกนะเราจะรู้ทันกายก่อนกายที่เราเคลื่อนเราไหวเนี่ยให้เรารู้ทันแล้วธรรมดาของความคิดคนเราเนี่ยมันจะคิดนู่นคิดนี่เป็นธรรมดาเพราะว่ายิ่งเราเรียนหนังสือนี่มันต้องใช้ความคิดเพราะวิชาการปัจจุบันเขาให้คิดให้มีเหตุให้มีผลนะคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้วิเคราะห์วิจาร เราคุ้นเคยกับความคิดคุ้นเคยกับต้องคิดนั่นคิดนี่ถ้าไม่คิดเลยเนี่ยโอ้โหมันลำบากชีวิตเพราะฉะนั้นขณะที่เรามานั่งเนี่ยมันต้องมีความคิดท่างมันอย่าไม่ไม่ต้องไปกังวลมันคิดก็คิดไปแต่เรากลับมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวนี้นะแล้วก็อาการที่จะพบครั้งแรกเลยก็คือง่วงนะไอ้ง่วงนี่มันแน่นอนเลยเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันต้องกินมันต้องนอนใช่ไม มันธรรมดาอยู่แนละ้วความง่วงมันมาเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจเราก็มาทํากับการเคลื่อนไหวนี้ถ้าทําแล้วช้ามันง่วงทําให้มันเร็วนะทำให้มันเร็ ว, นะ เ, รวเร็วขึ้นนะเราแก้แก้อารมณ์หรืออาจจะทุกทุกหัวเขา่ารูปเนื้อรูปตัวรูปหน้าให้มันตื่นขึ้นนะอย่าไปยอมอย่าไปยอมสยบกับความง่วงนะแน่นอนละมันมามาเยือนเพราะฉะนั้นการฝึกแบบนี้เนี่ย หลายคนนะมาฝึกแล้วบอกไม่เห็นมันสงบเลยทำนิดนิดหน่อยๆทำวันแรกก็ถอยละคิดว่ามาทำแล้วจะต้องนิ่งสงบไม่ง่วงไม่ใช่ความง่วงนี่แหละเป็นอารมณ์ที่มันจะแสดงตัวให้เราดูและให้เราทดสอบทดลองดูซิว่ากำลังสติเราจะมีขนาดไหนความง่วงเนี่ยหรือความหลับเนี่ยมันตรงข้ามกับความตื่น เขาบอกาศิลปาสตรูมันตรงกันข้ามกับพุทธศาสตร์เพราะนั้นถ้าเราสามารถเอาชนะความง่วงได้เราก็พุทธศาสตร์เกิดขึ้นเลยพระเจ้ามาเลยเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธะหรือพระเจ้าเนี่ยจริงๆก็มีอยู่ในตัวเรานะก็คือสติปัญญาของเรานั่นเองเพราะนั้นกะละที่เราไหวพระสวดมนต์เนี่ยราเลิกถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงพระเจ้าเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วคือสติปัญญาของเรา ตอนที่เรากลับลงไปว่าเราได้ร่วงเกินอะไรในพุทธเจ้าก็คือการกลับมาดูว่าวันนี้เราหลงอะไรไปบ้างเราลืมอะไรไปบ้างนี่สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือการระลึกว่าเราจะกระทําให้ดีขึ้นเราจะมีสติให้มากขึ้นนี่คือการที่เราสวดหมดแล้วเราได้สติปัญญาด้วยแล้วก็ได้ระลึกด้วยนนี้เป็นสิ่งหนึ่งทีนี้ จากการที่เราทำการเคลื่อนไหวกับกายโดยเฉพาะ14จังหวะก็ดีเดินจงกรมก็ดีเนี่ยให้เรามีความรู้สึกที่กายรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆเรื่อยๆมันจะมีอารมณ์เข้ามาให้เราทดสอบอันนี้ถือว่าเป็นข้อสอบความง่วงความฟาุ้งซ่านความหดหู่บางทีความไม่สะดวกสบายมันมาแล้วบางทีคิดถึงที่นอน คิดถึงอาหารอร่อยๆมันมาล้วอย่าไปเชื่อมันอย่าไปตอแยกับมันปล่อยมันไปแล้วกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวนี้บ่อยๆนานแรกๆก็โดนมันลากไปไม่เป็นไรนะหลวงพ่อเทียนท่านชอบเปรียบเทียบเหมือนกับแมวกับหนูอะตอนแรกๆแมวมันตัวเล็กหนูมันตัวใหญ่แมวคือสติคือความรู้สึกตัวหนูคือความคิด แรกแรกความรู้สึกตัวมันยังไม่มันยังไม่ชัดความคิดมันก็ลากไปความง่วงมันก็ลากไปนะบางทีนั่งไปก็สับประงกบางไม่เป็นไรตื่นขึ้นมาเอาอีกสดกันอีกไม่ต้องไปกลัวนะลองดูที่มันจะทักแค่ไหนกันนะความง่วงมันหลับก็ลุกขึ้นมาอีกมันฟุ้งซ่านก็อย่าไปตามมันมันชวนคิดเรื่องนู่นเรื่องนี้อย่าไปตามมันกลับมาตรงนี้กลับมาที่ความรู้สึกตัว เนี่ยเป็นฐานเลยเป็นหลักเลยที่สำคัญถ้าเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆทาเรื่อยๆสติเนี่ยมันจะฉับไวขึ้นมันจะใช้การได้มากขึ้นมันจะรู้ทันมากขึ้นมันจะเห็นเล่ห์เหลี่ยมของความคิดมากขึ้นเมื่อรู้ชัดที่กายเวทนาก็จะชัดจริงๆในขณะที่เราทำเนี่ยมันก็ไม่ได้มาเป็นขั้นเป็นตอนอะไรกันนะเวทนามันก็มาจิตมันก็มา แต่แรกๆเนี่ยเรายังไม่ต้องไปสนใจมันมันจะสุขมันจะทุกข์อะไรเรามาอยู่ตรงนี้ก่อนกลับมาที่ความรู้สึกตัวที่กายเนี่ยก่อนให้มันชัดๆตรงเนี้ยคําว่าชัดตรงนี้ไม่ได้ไหมายถึงว่าจ่อให้มันรู้ตลอดนะอย่าไปถ้าไปทําอย่างนั้นมันจะตึงเครียดมันจะแน่นหน้า อ, อกเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างแต่กลับมาเร็วให้มันเร็วกลับมาที่กายให้มันเร็วนะ คืออันนี้มันจะเป็นธรมนนธรมชาติเป็นกลไกธรรมชาติตัวกระผมเรื่องธรรมมาเองที่ตอนฝึกครั้งแรกๆ ก, ก็ตั้งใจอยากให้มันรู้ตลอดโอ้โหให้มันรู้ตลอดให้มันไม่ยอมให้มันคิดเลยกดไม่มันคิดเกิดอะไรขึ้นหลักมึนหัวดิไม่มึนก็แน่นหนะ้าอกดิดีหลวงพ่อเทียนบ้างหลวงพ่ออมเกียนบ้างท่านก็แนะโดยเฉพาะหลวงพ่อเทียนสมัยนั้นเจอท่านก็บอกโอ้อย่าไปทำอย่างนั้นนะ มองไปไกลๆถ้ามันแน่นหัวแน่นอกมองไปไกลๆปล่อยไปบ้างปล่อยไปบ้างอย่าไปจ้องมันตลอดให้มันรู้ตลอดนะรู้บ้างเผลอบ้างแต่กลับมาเร็วเมื่อรู้กายชัดเวทนาเวทนาเนี่ยส่วนใหญ่คนไทยเราเข้าใจว่าน่าสงสารคำว่าเวทนาเนี่ยคือความรู้สึกภาษาอังกฤษใช้คำว่า feeling นะก็คือสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นขณะที่เราไหวพระสวดมนต์เนี่ยเรารู้สึกอิ่มเอิบใจเรารู้สึกปลอดโปรงใจนะเป็นความสุขหละนั่นะเป็นเวทนานะหรือบางทีอายุงกัดโอเรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะอันนี้ก็เป็นความทุกข์แล้วเนี่ยคือสิ่งที่เราเรียนรู้ได้นะเวทนาแต่เมื่อเมื่อเรามีฐานที่กายชัดแล้วเนี่ยสุขเกิดขึ้นเราก็กลับมาที่ความรู้สึก ทุกเกิดขึ้นเราก็กลับมาที่ความรู้สึกใจมันจะกลับคืนสู่ความเป็นปกติเพราะฉะนั้นเมื่อฐานที่กายชัดแล้วเนี่ยนะมันจะมีวิธีการที่จะกลับมาปกติได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปสนใจเวทนาลิจิตก่อนให้มาสนใจที่กายเมื่อกายเราชัดแล้วเนี่ยพอจิตก็คือจิตเนี่ยริษใจเนี่ยมันไม่มีตัวตนมองไม่เห็นแต่มันมีอาการที่แสดงออกมาคือความคิด คิดน so ู่นคิดนี day, or, so ่คิดจกคิดจุดคิดนั่นคิดนี่โดยเฉพาะในช่วงที่เรามาฝึกเนี่ยนะทิ้งหมดเลยนะจะคิดดีคิดไม่ดีก็ตามคิดโครงการคิดสรร์สร้างคิดอะไรหรูหรานะทิ้งหมดเลยหรือแม้แต่บางทีนะมันสอนตัวเองต้องอย่างนั้นนะต้องอย่างนี้นะมันคิดมันสอนตัวเองนั่นก็เป็นความคิดอีกอันหนึ่งทิ้งหมดเลยกลับมารู้สึกตัว วันนันเล่เหลี่ยมของความคิดเนี่ยโอ้โหสารพัดตัวกับผมเรียตมาเองก็มีเจอประสบาการณ์เหล่านี้โอ้โหบางทีเดินแม่มันคิดวิธีการจะสอนคนจะพูดในคนหมายอยากจะพูดอ่ามาแล้วไม่รู้ตัวเผลอไปแล้วบางทีก็ทําไปทําโอโ้ดีนะวันนี้ดีปอดโปรง่งโอโ้ดีจังเลยปฏิบัติดีจังเลยมันมาย่อเราแนละ้วเราก็เลิ้งไปกับมันนี่คือความคิดรูปแบบของความคิดที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น กลับมาความรู้สึกตัวอะไรเกิดขึ้นกลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวที่กายนีนะ่มันจะเป็นฐานสำคัญเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยปรากฏการต่างๆ่าอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะดีจะร้ายจะปกติมันจะแสดงตัวมาแล้วเราก็ไม่ตกเข้าไปอยู่ในอารมณ์เข้ามาอยู่ในความคิดนั้นเราก็จะไม่ไม่เข้าไปอยู่ในพบในชาติเราก็ถอยออกมาดูเหมือนที่หลวงพ่อคาเขียนนั้นบอกว่า ให้เป็นผู้ดูแต่อย่าไปเป็นผู้เป็นเราถอยออกมาแรกๆมันยังถอยไม่ได้หรอกเพราะเรายังไม่มีฐานไอ้ความรู้สึกตัวที่กายที่เราทําไม้ตั้งแต่ต้นนั่นแหละมันจะเป็นเครื่องมือเขาจะทําหน้าที่ของเขาเองเราไม่ได้ไปทําหน้าที่ถอนหรือเราไม่ได้ถอยหรอกไอ้ความรู้สึกตัวเขาจะทําหน้าที่เองถ้าเราไปตั้งใจจะถอนนั่นก็เป็นอาการที่เราสร้างขึ้นมาจินตนาการขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้น เรามีหน้าที่อย่างเดียวคือทําความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นแล้วความรู้สึกตัวเขาจะไปทําหน้าที่ของเขาเองเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยเหมือนเราเลี้ยงในบ้านเรามีหนูเยอะเราจะจับหนูเราไปวิ่งไล่จับไม่ได้หรอกเราต้องเลี้ยงแมวนะก็คือเลี้ยงแมวให้มันให้มันโตให้มันมีกําลังแมวเปรียบเทียบกับเหมือนสตินั่นเองก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามมีศรัทธาก่อน เรามีศรัทธามีความเชื่อว่าวิธีการนี้ทําได้วิธีการนี้มีผลวิธีการนี้ไม่เหลือวิสัยเป็นสิ่งที่ทุกคนทาได้ถ้าเรามีศรัทธาอย่างนี้เราก็จะทุ่มกําลังลงไปที่จะทําอย่างเต็มที่เต็มกําลังเท่าที่เราจะทําได้แต่แน่นอนนะคนใหม่เนี่ยโดยเฉพาะคนที่ตั้งใจมากๆ นะก็จะเก่งจะเคร่งเครียดบ้างก็ไม่เป็นไรขอให้เรารู้ไว้เดี๋ยวมันค่อยๆปรับตัวเราเองนะบางทีมันก็ตึงบ้างเครียดบ้างเป็นธรรมดานะของแบบนี้เหมือนเราขี่จั ก, กรยานน่ะเราคนที่สอนก็บ อ, อกไม่ต้องเก่งนะมันก็อดไม่ได้ไม่ต้องเก่งอนะ่ะมันก็ธรรมดา <c oughs> นะตัวกผมเรื่องสมาเองก็เป็นอย่างนั้น เพราะนัคูบาอาจารย์มาพูดบางทีก็อบอกว่าเออไม่ต้องไปตึงมันมากไม่ต้องไปหย่อนมันมากท่านก็พูดได้อะนะแต่เราต้องดูตัวเราเองนะตัวเราเองถ้าเรารู้สึกตึงตึงอ้เราก็หย่อนหย่อนบ้างนะท่านก็พยายามเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราพยายามสังเกตนะสังเกตตัวเองไอ้ถ้ามันหนักหนักหัวมันไม่ใช่แล้วมันตึงตึงมันไม่ใช่แล้วต้องผ่อนผอนลงหน่อยนะบางทีเดินเดินชา้าไปมันง่วงอะเดินเร็วบ้าง พอเดินหน้าไปมันวกอาถอยหลังบ้างเออนะคือเล่นกับมันอย่างเงี้ยหลอกล่อให้มันตื่นตัวอย่าไปสงบสยบ ห, หรือสงบสยบกับอารมณ์หรือความคิดต่างๆนาเนี่ยก็ต้องใช้สติปัญญ า, าที่จะที่จะแก้ไขนาการปฏิบัติเพระาะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยนะอย่าไปถือว่าผิดพราถูกเอาผิดเป็นครูครั้งหนึ่ง เดยวกับผมเนี่ยธรมาเองชอบคำพูดหลวงพ่อคำเขียนมากเลยท่านบอกว่าอาจารย์ที่แท้จริงคืออาจารย์คลำคลาผิดคลำถูกคือครูบาอาจารย์ไม่สามารถบอกได้เลยว่าอย่างเนี้ยคือความเป็นกลางท่านบอกไม่ได้ท่านบอกได้ว่ากลางแต่ไอกลางของเราเนี่ยภาวะที่เป็นกลางทางสายกลางเนี่ยเราต้องตึงบ้างหย่อนบ้างเดี๋ยวมันกลางมันจะรู้เองภาวะอย่างนั้นต้องทาด้วยตัวเอง แล้วมันจะสัมผัสเองอาการที่มันแสดงโอ้มันปุ่งปุ่งล่งโลงมันทําได้เรื่อยๆนะมันก็ไม่ได้ดีใจมันก็ไม่ได้เสียใจมันก็เฉยๆธรรมดาธรรมดามันจะแสดงอาการเหล่านี้ออกมาให้สังเกตถ้ามันหนักหนักตึงตึงเออไม่ใช่ละถอยออกมาหรือถ้ามันคิดฟุ้งไปมากเออก็ไม่ใช่ละกลับมากลํามากเนี่ยมันต้องค่อย ตบไปตบมาตบซ้ายตบขวาข้างบนข้างล่างด้านข้าง น, านี่ก็คือเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นที่เราสวดพระธรรมเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่ต้องประจักษ์ด้วยตัวเองไม่มีใครบอกได้แต่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็มาบอกให้กำลังใจพวกเราสิ่งที่เราจดจาไดจากครูบาอาจารย์ก็ดีหรือจากคาพูดเนี่ยเป็นความจาภาวะต่างๆที่พูดเนี่ยก็ต้องระวัง อย่าจำเอาไปเป็นของตัวเองหลวงพ่อเทียนครั้งหนึ่งท่านเคยพูดว่าประลากิกสีข้อหนึ่งก็คือไปลักของเขาก็คือฟังแล้วเอาไปเป็นภาวะของตัวเองนะ ท, ง ท, งทั้งที่ยังไม่เกิดนะนี่ก็เราต้องดูตัวเราเองต้องระวังต้องดูแต่ก็ไม่ต้องไปไประวังจนแหม่ทำอะไรไม่ถูกเลยก็ทำสบายๆนี่แหละนะทำสบายๆทาเรื่อยๆ นะให้มีความรู้สึกตัวที่กายให้ชัดตรงเนี้มันจะเป็นเครื่องมือสําคัญการทําวิธีนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยตัวผมเนี่ยทำไมเองก็ไม่รู้ว่าทําไปแล้วมันจุดสุดท้ายมันคืออะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ถามหลวงพ่อกำเมเขียนว่าเออหลวงพ่อแค่รู้สึกตัวเนี่ยหรอไม่ต้องทําอย่างอื่นแล้วหรอใช่หลวงพ่อบอกใช่รู้สึกทั้งเบื้องตน้นท่ามกลางและที่สุดเป็นเครื่องมือ อันเดียวที่เราสามารถใช้ได้ตลอดทางในการเดินทางโดวยวิธีการนี้ซึ่งก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากว่าทำอย่างเดียวแต่เกิดผลหลายอย่างแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือได้ตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางที่สุดเพราะฉะนั้นเราเราถ้าเราได้สวดเราจะเห็นว่ามีถ้าไปสวดที่สัมมาส ม, มาธิเนี่ยมันจะมีฌานองค์ที่4เลยบอกว่า มีสติบริสุทธิ์หมายถึงว่าดำรงอยู่ด้วยสติแล้วตอนที่พระเจ้าท่านปรินิพานเนี่ยพรนะนุรุทธะเนี่ยได้นั่งเข้าฌานแล้วก็ได้ดูพระเจ้าเนี่ยท่านดำเนินจิตไปอย่างไรนะท่านก็ดำเนินไปจนถึงฌานแปดแล้วก็กลับมาที่ฌานสีก็คือดำรงสติในขณะที่ปรินิพานเพราะนั้นสตินี่จึงเ ป, เป็นที่สุดเลยนะหมายถึงว่า เป็นเครื่องมือเป็นชิ้นเอกเป็นกุญแจดอกเอกงานที่จะไขความลับภายในตัวเราไขาความลับให้เราเห็นสุขเห็นทุกข์และความเป็นปกติเมื่อเราสามารถที่จะเห็นตรงนี้ได้เราก็จะไม่ตกไปอยู่ในกระแสะของความทุกข์หรือความสุขสุขทุกข์เกิดขึ้นได้แต่เรารู้รู้เท่ารู้ทันการฝึกแบบนี้ไม่ได้ไหมายความว่าทาแล้วจะไม่มีสุขไม่มีทุกข์นะก็มี มีแต่เราก็ไม่เข้าไปจมแต่ก็มีนะถ้าเราเผลอเข้าไปมันก็สุขบ้างทุกบ้างมันก็แต่ถ้าเรารู้ทันเนี่ยมันจะกลับปกติความเป็นปกติเนี่ยเป็นมาตรฐานของชีวิตเป็นพื้นฐานของชีวิตที่ทำให้เราดำรงอยู่ทำให้เราไม่เป็นบ้ า, นาคนที่โกรธมากๆากคุ้นคิดเรื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้คนนั้นก็พูดไม่ดีกับเราก็เก็บเอามาคิด คืนนี้ยังนอนไม่ยอมปล่อยทั้งที่เรื่องมันเสร็จไปแล้วไม่ยอมกลับคืนสูขปกติจริงๆใจมันจะกลับคืนสู่ปกติอยู่แล้วแต่เราคิดเรากุ้นเราคิดเราหลงเราเพลินไปเราไม่รู้ทันเพราะนั้นที่เรามาฝึกกันเนี้ยฝึกให้รู้ทันเหล่านี้ให้เรียนรู้ลกลไกเหล่านี้เราจะได้มีปกติสุขนะ น, นี้เป็นความสุขที่เรียกว่าสุขกเกษมสารไม่ใจสุข สุกกไก่ที่มันสุกสุทุกๆชีวิตในโลกปัจจุบันเนี่ยสุก ๆ, ๆ, ๆุกทุกๆนะหรือแม้แต่เรามาอยู่วัดก็สุกๆุกทุกทนะสังเกตดูนะนี่คือสิ่งที่เราจะสังเกตดูได้เมื่อเราฝึกในรูปแบบแล้วเนี่ยนะนอกจากในรูปแบบแล้วเนี่ยก็ให้พยายามมีความรู้สึกตัวในชีวิตประจํำวันกับการกับกิจกรรมต่างๆที่เราทําตั้งแต่ตื่นนอนมาไหว้พระสวดมนต์ เดินไปสาลานารับทานอาหารให้มีความรู้สึกตัวพบปะผู้คนได้ยินคนพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะโดยเฉพาะวัดเนี่ยเป็นที่รวมของคนมาจากหลากหลายและนิสัยใจคอไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะไม่เป็นไปอย่างใจเราเราต้องทําใจเพราะนั้นวัดเนี่ยถือว่าเป็นสนามได้ฝึก ได้ประลองสติที่เราฝึกไปแล้วว่ามันใช้ได้ไม่ได้ถ้าใช้ไม่ได้สอบตกไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ให้กำลังใจตัวเองคนเรามันก็เป็นอย่างนี้บางทีสติมันยังไม่พอก็ไม่เป็นไรนะเสียอกเสียใจไปสักพักหนึ่งตื่นขึ้นมาใหม่เอาใหม่เพราะฉะนั้นที่วัดป่าสุกโตเนี่ยมีทั้งการทำในรูปแบบและนอกรูปแบบและนอกรูปแบบเนี่ยดีนะมันเจอของจริง นะแล้วการที่เรามาฝึกอย่างเงี้ยการที่เราได้เห็นอารมณ์ต่างๆนี้ก็เป็นเหมือนการซ้อมเหมือนนักมวยอะ่ะซ้อมเจออารมณ์เจอความคิดนะชนะบางแพ้บางชนะบางแพ้บางไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปสู่โลกเนี่ยไปเจอของจริงเลยนะมันจะได้กําลังเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยมันจึงต่างจากการนั่งหลับตาการนั่งหลับตาเรานั่งสงบมันไม่ได้มันไม่ได้ซ้อมเลยอะ่ะ มันไม่ได้มีคู่ซ้อมไม่มีอารมณ์ไม่มีความคิดมาซ้อมเลยเพราะฉะนั้นคนที่นั่งสงบนิ่งหลับตาเนี่ยสังเกตดูเถอดกลับไปสู่โลกเนี่ยนะมันจะโกรธมากกว่าเดิมมันจะเป็นคนขี้โกรธมากกว่าเดิมเพราะมันติดสงบตัวกระผมดนื้อธรรมเคยเป็นมาแล้วตอนนั้นคิดว่า โ, โหนั่งสงบนี่ข้าพเจ้าบรรลุธรรมแน่นะที่ไหนได้มีคนก็มาพูดไม่ถูกอนั้นะนะโกรธปึงขึ้นมาเลยโอ้ เพราะฉะนั้นที่เรามาฝึกเนี่ยนะเราจะได้ซ้อมทุกวันโดยเฉพาะ เ, เข้า เ, เก็บอารมณ์40วันก็ดีหรือว่าคนที่มาเจวันก็ดีเนี่ยนะได้ได้ทำอย่างต่อนเนื่องทีนี้คนที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยนะก็ลองดนะูมาวันเดียวสองวันวันเดียวน้อยไปนะทีหลังมามาสัก7วันนะยังไม่ได้อะไรเลย บางคนมาวันเดียวนะเข็ดไปเลยนะเพราะว่ายังไม่ได้โอ้ไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วมาอยู่วัดป่าสุกโตนี้ต้องอยู่ด้วยปัญญานะเพราะหลวงพ่อก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีเนะี่ยเขปล่อยให้เราอิสระให้เราได้ฝึกด้วยตัวเราเองให้เราเป็นที่พึ่งของตัวเราเองไม่ต้องมาติดครูบาอาจารย์นะตรงนี้เนี่ยสําคัญเพราะฉนั้นคนที่เข้ามาวัดป่าสุกโตเนี่ยถ้าไม่รู้นะ คำว่าไม่รู้ในที่นี้ก็คือเข้ามาจะไปเรียนกับใครจะฝึกอย่างไงอะไรเนี่ยนะบางทีจังเหงาเหงาเพราะฉะนั้นตรงนี้เข้ามาเนี่ยฟังหลวงพ่อแล้วมีปัญหาก็ถามท่านนะเข้าหาครูบาอาจารย์บ้างโดนะยเฉพาะพระที่บวชใหม่ตัวกับผมได้ทํามเองมีความรู้สึกเป็นห่วงนะเพราะที่นี่เนี่ยไม่ค่อยมีระเบียบวิ น, นัยว่าจะต้องทำอย่างนูน้นทาอย่างนี้ ต้องไอ้นั่นไอ้นี่เพราะฉะนั้นเราต้องขวนขวายนะขวนขวายเข้าหาครูบาอาจารย์ขวนขวายฝึ ก, าากโดยเฉพาะคนที่มาบวชเพียงแค่สิวันเจวันหนึ่งเดือนเนี่ยถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเสียได้เวลามากโดยเฉพาะถ้าอยู่ในเพศของบรรพชิตเนี่ยมันปลดเปลื้องภารัษต่างๆเพราะนั้นใช้เวลาที่ที่มีอยู่ให้คุ้มค่า ด้วยการเจริญสติถ้าใครยังไม่รู้จริงๆพยายามเข้าหาครูบาอาจารย์ฝึกฝึกได้แล้วมีรูปแบบแล้วไปทาเลยกิจอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจมากนะไปบินทาบาทก็ไปบินทาบาทนะงานการอย่างอื่นก็ช่วยกันนะแต่งานการส่วนลวมก็มีไม่มากปัจจุบันเนี่ยเอื้อประโยชน์ให้กับการที่เราจะฝึกเจริญสติเพื่อที่จะเอาไปใช้ในชีวิต เมื่อเร า, เา ส, สึกออกไปนะเพราะนั้นที่นี่เนี่ยมีของวิเศษนะของวิเศษก็คือจเจริญสติก่อนศึกไปก่อนลาสิ ก, กาไปอย่างน้อยๆให้มีความรู้สึกตัวเอาไปใช้เอาไปใช้นะ ไ, ใชใได้ในโลกนะบวชหนึ่งเดือนเนี่ยนะถ้าถ้าไม่ได้เนี่ยโอ้โหน่าเสียดายมากเสียเวลาที่มาบวชนะอันนี้ก็อยากจะฝากาพระใหม่นะ ก็ที่ป่าสุกโตนี้อยู่กันแบบเป็นญาติเป็นมิตรเป็นกัลยาณมิตรกันนะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาศัยสิ่งแวดล้อมได้ในการที่จะพัฒนานเรื่องของจิตใจด้วยการเจริญสติเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พวกเรานะที่ตั้งใจกันมาแล้วได้ใช้เวลาให้คุ้มค่านะคุ้มค่าทุกนาทีไม่ต้องดูทีวีช่อง3นะ คุ้มค่าทุกนาทีมีความรู้สึกตัวบ่อยๆนะอันนี้จะคุ้มค่ามากๆนะแล้วก็เอ่อสิ่งที่ได้พูดไปเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะมีอะไรที่อาจจะพูดขาดตกบกพร่องไปบ้างนะก็หวังว่าครูบาอาจารย์จะได้แนะนำตักเตือนนะหรือแม้แต่พวกเราเอง ถ้เห็นกระผมเรือธมานะบกพร่องไป บ, บ้างนะก็เตือนกันไดนะ้ก็ถือว่าเป็นกรารยนตมิตรกันนะช่วยตักเตือนกันเพื่อความเจริญนะของชีวิตเพื่อความเจริญของสังคมของชุมชนที่เราอยู่และถ้าเราเป็นที่พึ่งตัวเราเองได้เราก็จะเป็นที่พึ่งให้กับคนในครอบครัวได้เป็นที่พึ่งให้กับสังคมได้แล้วก็ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ นะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้นะประเทศไทยเราก็สภาพก็ไม่ค่อยจะปกติเท่าไหรนะ่สีเหลืองสีแดงยังตกลงกันไม่ไดนะ้นั่นก็เป็นเรื่องของเขานะแต่ขอให้เรามีาหลักในใจนะที่จะเป็นที่พึ่งของเรานะก็คือสติสัมปชัญญนะตัวนี้จะเป็นที่พึ่งของเราเป็นบ้านที่แท้จริงเป็นเครื่องมือที่แท้จริง ที่จะให้เรามีชีวิตที่เป็นปกติได้นี่ก็อยากจะฝากพวกเราไว้แล้วก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาและก็ความตั้งใจของพวกเราที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสุกโตแห่งนี้ได้มาร่วมกันฝึกเจริญสติก็คือความรู้สึกตัวด้วยความเพียรพยายามของพวกเรา ขอให้พวกเราได้ประสบพบกับความเป็นปกติของใจนะโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทิดเจริญพรถ้าเราดีความทุกตัวกันก็คนเดียวกันอันนี้จริงๆไม่ได้มีปัญหามันเป็นจีเย ที่เราสวดสดกันอยู่เวลารับศีลนั่นนะสีเลสุขติยัญติสีเลนะพุทธสมบัติสีนี้ดีนะสีเลเหลืองเหลืองแดงๆอะไรสีเลดีสีมักคาสามัคคีนะดีอยู่สีอะไรสีมักคาสามัคคีเจอกันจะถามกันพวกอสีนะกินข้าวอย่างกินข้าวอย่างยังมาได้กินนะถ้ากินเดี๋ยวไปกินด้วยนะ ไปกินด้วยกันไปกินด้วยกันส่วนพี่ๆน้องๆมันไม่สบายเปล่าเอายาไหมเอายาไหมเดี๋ยวยาไมายาไหมนั่นเนี่ยรอรออยู่เนี่ยเราเนี่ยนะพวกสีมักกาจะเป็นหนึ่งเนี้มีความสามเมื่อกีอันหนึ่งอันเดียวกันพอเห็นก็ทุกนะราหยิบยื่นมือช่วยกันพอเราทุกคนอื่นก็หยิบยื่นมือช่วยก็มีศีสิสกระ น, นำสุกไม้มันเกิดจากความรู้สึกตัวนะ ความเป็นปกติจึงบอกว่าเออพอรมีความรู้สึกตัวมันก็มีสติมีสติก็มีศีลมีหลายๆอย่างตามมาเป็นพวงนั่นแหละสังคมก็สงบร่มเย็นนั่นคือผลของการฝึกสติการปฏิบัติธรรมนะมนันน้อมนําชีวิตเราเดินตรงทางนะอันนี้เรียกว่าตายตาหลับระตายสดน ะ, ะละก็ น, น, น, น, น, นามมุตนาอาจารย์วจนี่ถือเป็นอาจารย์อาตมานะแต่วันนี้มาบวชก่อน ท่านตามมาบวชทีหลังจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆ ม, ามาว ก, ก่อนส0กว่าปีถ้าไม่มีอาจารย์สมใจอาไม่ได้มาบวชที่นี่นักก่อนถ้า ม, มีอาจารย์สมใจหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อขมขีนก็ไม่ได้ไปทางเคียงใหม่วิธีการหลวงพ่อเทียนไปตอนยุคต้นๆเมื่อตอนสักสองพัน้ีกเจ็ตอนนั้น ยิ่งเมื่อหลวงพ่อไปหลวงกันเป็นกันหนะ้าอะไลย่งปลุ่งปลุ่ปไปนั่งรถถึงกระจังไปถึงกระจังร้อนสมัยก่อนแล้วก็พระเนี่คือรถโ ด, ดยสารนี่ไม่แน่นั่งดีอาจารย์ว่านั่งหลังสุด เ, เลียงแถวกันเป็นปากกระป๋องเครื่องยนต์ก็อยู่แถวๆนั่นพระหลายรอบก็นั่ง ลมร้อนก็เป่าเข้ามาในสบงในจีวรร้อนไปมาทั้งตัวหลายลูกก็ บ, บโอ้ยร้อนอ น, อนไม่ไหวไม่ไหวตายแน่ตายแน่แนอเขียนบอกไหวไหวไไม่ตายไม่ตายไม่ตายเอาก็จะถึงเชียงใหม่แล้วนะ น, นีดีไหมเ า, มาเลยดีจริงๆความรู้สึกตัวก็เลยเนี่ย ถึงวันหนึ่งก็ได้มานั่งอยู่ในวัดป่าสุตโตอาจารย์สนใจนะเนะนะีรู้สึกอบอุ่นเดียไม่ได้พูดอะไรกันมากนี้ครับพูดถึงความรู้สึกตัวทําเป็นเบาแค่นั้นนะเขาสึกตัวพูดง่ายลัมธรรมเนาะสารพัดหนึ่งที่เราจะเจอกันนะเนะ่ยเราอย่าแบรกออกหาตัวความสึกสัมผัสิกายก่อนทนะั้จิตตื่นกันถ้าตื่นแล้วมันตื่นเลยนะบางครั้งเราไม่ตื่นถ้าตื่นจริงๆเล เห็นกายได้มีสติสติกับเรามันมีเห็นความคิดระดับหยาบหยาเหมือนกันและนะเหมือนกันตรงนี้แหละมันจะลืมไม่ลงกันรถไาสุกโตมาดีไปดีเนื้อเกิดนืแก่นืเจ็บนื้อตายมันก็จะมีอยู่ตรงนี้แหละความคิดถึงเกิดนะมันทำให้เราติดในภพในชาติต่างๆมากมายแล้วกันเราก็มีสิทธิ์ที่จะมีอิสรภาพเหมือนกัน แต่ว่าให้ความรู้สึกตัวที่ฐานกายมันพาไปมันจะตรงทิศ ต, ตรงทางแล้ววันนี้เห็นว่าสมควรเวลาเรากาพาพร้อมกัน